เรื่องนั่นพระอาหารหันโดยอนุรักษ์จุลนินผมรู้จักหลวงตามาตั้งแต่จำความได้รอบบ้านอยู่ที่อุดรธานีผมมีโอกาสกราบหลวงตาครั้งแรกที่วัดป่าบ้านตาดเห็นท่านเดินกลับกุฏิผมก้มลงกราบนึกในใจว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาจึงหันไปพูดกับคุณพ่อว่า นั่นพระอาหารหันต์คุณพ่อยิ้มและไม่พูดอะไรนับแต่วันนั้นมาผมก็เห็นหลวงตาตามสถานที่ต่างๆเรื่อยมาเคยฟังท่านเทศมองดูท่านในอิริยาบถต่างๆเห็นท่านเดินท่านยืนท่านนั่งนึกในใจว่าลีลาพระอริยะเจ้าช่างงามแท้เป็นบุญของเราแท้เทียวที่ได้เกิดมาพบพระอริยะเจ้าที่ดำรงขันอยู่โดยธรรมเช่นนี้หากสิ้นยุคแห่งพระหลวงตาองค์นี้ไปแล้ว อีกนานเท่าใดหนอจึงจะมีพระผู้งามพร้อมเช่นนี้เวลาที่หลวงตาท่านสอนท่านจะสอนแต่สิ่งที่ดีให้เราท่านเทศมีโวหาหน่าฟังเพเราะจับใจและที่สาคัญท่านเน้นการแสดงธรรมเป็นใหญ่เวลาเข้าไปกราบท่านมักจะได้ข้ออัจข้อธรรมไว้เป็นแง่คิดเป็นคติตลอดเวลาท่านเทศจบท่านจะกล่าวเหนื่อยเหนื่อยปวดเขา่าหูอื้อลมออกหู เราก็สงสารท่านทั้งที่ท่านก็อายุเก้าเข้าปัดชิมวัยแล้วแทนที่จะได้พักผ่อนให้สบายทาตขันแต่ท่านต้องมาลำบากกับเราอันที่จริงแล้วท่านสงสารเราเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนท่านผ่านพ้นไปแล้วท่านมีเมตตาสูงมากท่านเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนท่านบอกว่ามหาการุนิโกนาโถ พิตายะสัพพปาณินังพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธศาสนาและไม่มีหลวงตามหาบัวในวันนี้เช่นกันแม้บางคราวเราไปกราบท่านเห็นท่านไม่ค่อยสบายเรากราบถามสุขภาพของท่านท่านจะพูดว่าสุขภาพของหลวงตาอย่ามาถามสุขภาพของเราไม่เป็นไรให้ดูสุขภาพของชาติบ้านเมืองเวลานี้เป็นอย่างไร เมื่อท่านพูดเช่นนี้เราก็ทราบถึงเมตตาธรรมที่ท่านมีต่อเราและชาติบ้านเมืองสมกับปาณิธานของหลวงตาที่ว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทําความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทําด้วยความเมตตาสงสารเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตาการหลวงตาเป็นพระอรหรันต ที่สถิตยอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปแม้จะเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็ขออธิษฐานให้ได้มาเกิดได้ร่มเงาพระพุทธศาสนาและพระสายป่าทุกภพทุกชาติไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานบทความโดยอนุรักษ์จุลนินเสียงอ่านโดยโจโช